ค r e a t i v e คนหนึ่งเกทาโฆษณาชิ้นหนึ่งก็เลยไปสอบถามคนหนุ่มสาวซึ่งอยู่ในวัยทำงานถามว่าเนี่ยพวกคุณนี่ทุกอะไรกันบ้างทุกเรื่องอะไรบ้างบอกว่าส่วนใหญ่หรือทั้งหมดนะบอกว่าทุกเพราะความคาดหวังของสังคมและคนรอบข้างมันทำให้เขาต้องเหนื่อยนะเหนื่อยกับการ ตอบสนองความคาดหวังของคนเหล่านั้นคนรอบข้างก็จะได้แก่พ่อแม่หรืออาจจะรวมถึงญาติผู้ใหญ่เพื่อนฝูงเขาคาดหวังอะไรนะบางคนก็บอกว่าจะคาดหวังให้ทำงานเยอะๆมีเงินเดือนหลักแสนมีธุรกิจเสริมหรือว่า ต้องพูดใ้ได้นะอย่างน้อยสามภาษานะหรือไม่ใช่ก็คาดหวังว่าเนี่ยต้องดูดีนะใช้สินค้าแบรนด์เนมหรือว่ า, าควรจะเที่ยวรอบโลกนะก่อนอายุสามสิบมมีความคาดหวังต่างๆมากมาย อันนี้ก็เป็นคำตอบที่คนหนุ่มสาวจำนวนมากเวลานี้เนี่ยบอกว่าเนี่ยทุกข์เพราะเรื่องแบบนี้แหละที่จริงเนี่ยความคาดหวังของสังคมและคนรอบข้างนี่มันยังไม่ใช่เป็นสาเหตุที่แท้นะที่ทำให้คนหนุ่มสาวจนวนมากนี่มีความทุกข์มีความเครียดสิ่งที่ไม่ได้มองกันก็คือ ขาดความคาดหวังอยากจะให้สังคมและคนรอบข้างยอมรับในความคิดในจิตใจของคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่ทุกเนี่ยนะไม่ได้ทุกเพราะความคาดหวังจากสังคมและคนรอบข้างมากเท่ากับคาดหวังอยากจะให้สังคมและคนรอบข้างเนี่ยยอมรับชื่นชมสรรเสริญถ้าคนรอบข้างจะคาดหวังเราอย่างไรถ้าเราไม่ไสนใจ ปรารถนาให้เขาชื่นชมสรรเสริญเนี่ยเราคงจะไม่เหนื่อยดิ้นรนกระเสือกกระสนขนควายเพื่อที่จะทำให้ความคาดหวังของเขาเนี่ยเป็นจริงแต่ลึกๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าความคาดหวังอยากจะให้สังคมและคนรอบข้างยอมรับเราชื่นชมสรรเสริญเรา นี่ต่างหากนะที่มันทําให้ผู้คนเนี่ยเดี๋ยวว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยเหนื่อยเราจะว่าไปไม่ใช่จะว่าคนหนุ่มสาวที่เหนื่อยเพราะมีความคาดหวังเท่านั้นนะอคนเดือนนี้เนี่ยเรียกว่าทั่วโลกเลยเนี่ยไม่ใช่จะว่าคนหนุ่มสาวที่ทุกข์กันมากเนี่ย ก็เพราะความคาดหวังในใจของตัวซึ่งมันก็แปลกนะทุกวันนี้ผู้คนก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากขึ้นเดี๋ยวนี้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นของหายากของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่่ามันกลายเป็นเรื่องที่เป็นของสามมันไปละไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์รถยนต์หรือว่าอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าแต่ก่อนนี่โอ้ย แค่โทรศัพท์มันก็มีแค่ไม่กี่บ้านที่มีโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มีกันเกลื่อนไปเลยแม้แต่เด็กก็ยังมีรถยนต์ก็เหมือนกันนะเดีย๋ยวนี้มีกันแทบทุกบ้านเครื่องซักผ้าหรือว่าโทรทัศน์หรือว่าเครื่องปรับอากาศยัไม่ต้องพูดถึงรายได้นะซึ่งก็เรียกว่ามีมากขึ้น กว่าแต่ก่อนสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดความบันเทิงเริงรมตัวนี้ก็เยอะจากโทรศัพท์มือถือนี่แหละได้เสพยี่สีชั่วโมงจะกินอะไรก็ไม่ยากสั่งให้กร็บมาส่งไลน์มาส่งแต่ทำไมทั้งที่มีความสุขสบายมากขึ้นมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้คนจึงไม่ได้มีความสุขมากขึ้นเลยอาจจะมีความสุขน้อยลงด้วยซ้ำอันนี้ก็เพราะความคาดหวังนี่แหละคือคนเราเนี่ยพอมีเงินมากขึ้นมีความสะดวกสบายมากขึ้นความคาดหวังก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยตอน ตอนเด็กๆนะแค่มีรถปิกอัพหรือมอเตอร์ไซค์นี่ก็มีความสุขละแต่พอมีรายได้มากขึ้นมีงานที่ดีมั่นคงขึ้นเราไม่ได้คาดหวังแค่มอเตอร์ไซค์หรือรถปิกอัพนะคาดหวังรถเก่งต่อมาพอมีฐานะที่ดีขึ้นนะรายได้สูงขึ้นรถเก่ง ยีห้อญี่ปุ่นนี่ใช่ละอยากจะได้รถยุโรปนะคาดหวังรถยุโรปบ m เอ็มเบนะเป็นเพราะความคาดหวังมันสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยขณะที่ยังไม่สามารถที่จะทำคารคาดหวังทำความคาดหวังให้เป็นจริงได้มันก็เลยทุกเนี่ย คนเราถ้าความคาดหวังมันต่ําเตี้ยเรียดินเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์หรอกเพราะว่าสามารถที่จะสมหวังได้ไม่ยากแต่คนสมัยนี้เนี่ยสุขสบายมากขึ้นมีเงินเดือนมากขึ้นมีความมั่นอยู่ที่สูงขึ้นความคาดหวังก็สูงขึ้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแล้วพอความคาดหวังนั้นมันไม่ บรรลุยังไม่เป็นจริงยังก็เลยเกิดความทุกข์แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่มีความคาดหวังสูงแค่ น, นั้นนะความคาดหวังอันหนึ่งก็คืออยากจะรวยกว่าคนอื่นอยากจะเด่นกว่าคนอื่นแค่รวยอย่างเดียวก็อาจจะไม่ยากนะแต่พอคาดหวังว่า ต้องรวยกว่าคนอื่นต้องเด่งก่าคนอื่นอันนี้มันกลายเป็นเรื่องยากเพราะว่าขณะที่เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคนอื่นเขาก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามมาด้วยเหมือนกันหรือไล่เลี่ย ก, กันไม่ใช่ว่าเราจะสบายคนเดียวคนอื่นหรือเพื่อนบ้านเขาก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย แท น, นเวลาคาดหวังว่าเนี่ยฉันต้องรวยกว่าคนอื่นฉันจะต้องสบายาคนอื่นมันก็ไม่เคยสมหวังสักทีนะเพราะว่าคนอื่นเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนเขาก็ไต่ระดับมีมาตรฐานชีวิตที่สูงขึ้นพอพอกับเราเรืออาจจะยิ่งกว่าเราก็ได้อันนี้ก็เลยทําให้ผู้คนยไม่รู้สึกสมหวังสักที แต่ถ้าว่าคนเรานี่มีความคาดหวังที่ไม่สูงนักนะแม้ว่าจะมีเงินมากขึ้นแต่ว่าความคาดหวังก็ไม่ได้สูงมันก็สมหวังได้ไม่ยากมีฝรั่งคนหนึ่งนะเป็นเพื่อนคู่คิดของวอรเรนบัฟเฟตต์วอร์เรนบัฟเฟตนี่เป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยมากนะจากการลงทุน เขามีเพื่อนร่วมงานที่เป็นคู่หูเ้าเนี่สามสิบี่สิปีชื่อชารีมังเกอร์เนี่ยก็รวยเหมือนกันนะแต่ไม่รวยเท่าวอร์เรนแต่ฉลาดกว่าแล้วก็เรียกว่าเป็นหัวสมองของวอร์เรนบัฟเฟตต์ในเรื่องของธุรกิจแต่เขาไม่ได้เก่งแต่นเรื่องธุรกิจแล้วก็ร่ำรวยเพราะธุรกิจนะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่มีความสุขในชีวิตคนหนึ่ง เพึ่งเสียชีวิตไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้องอายุเก้าสิบเก้าปีก็มีคนถามว่านะเมื่อปีสองปีที่แล้วว่าเคล็ดลับความสุขของเขาคืออะไรเพราะเขาเป็นคนที่มีความสุขมีความพึงพอใจในชีวิตแม้จะมีเงินเยอะแต่ก็อยู่แบบง่ายๆเรา่ากดข้อแรกของ ความสุขก็คือให้มีความคาดหวังที่ไม่สูงนักมีความคาดหวังต่ำๆเพราะถ้ามีความคาดหวังต่ำเนี่ยมันสมหวังได้ง่ายแล้วเขาก็แนกว่าเนี่ยมีความคาดหวังต่ำแล้วก็ให้ยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามให้เรื่องการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับชีวิตก็ดีกับงานการก็ดีนี่อันนี้ก็มันก็เป็น เคล็ดลับของความสุขนะเพราะถ้าคนเรานอกจากคาดหวังสูงแล้วพอไม่สำเร็จไม่สมหวังก็โวยวายตีโพ ย, ยตีพายอย่างนี้แหละนะก็จะทุกข์ไม่ว่าจะรวยแค่ไหนหรือว่ายิ่งใหญ่เพียงใดแต่ถ้าคาดหวังสูงแล้วก็ไม่ยอมรับผลที่เกิดขึ้นในทางตรงข้ามนะในทางตรงข้ามนะถ้าคาดหวังไม่สูงนับแล้วก็ยอมรับผลรับที่เกิดขึ้น มันก็มีความสุขได้ไม่ยากจริงถ้าดูไปนะนะความทุกข์ของผู้คนทุกวันนี้เนี่ยมันก็เพราะความคาดหวังในใจของเขาคาดหวังความสำเร็จถ้าความสำเร็จตั้งเป้าไว้สูงแม้จะสำเร็จแต่ว่ามันไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้มันก็ทุกข์ได้ร้อยล้าน แต่คาดหวังไว้พันล้านเนี่ยมันก็ทุกทั้งที่ร้อยล้านนี่ก็ไม่ใช่น้อยแต่ถ้าได้10บขณะที่า ค, ค า, า, า, า, าดหวังแค่หนึ่งเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วแม้ว่า1ิบนี่จะน้อยแต่ว่าเพราะคาดหวังแค่หนึ่งสิ่งที่ได้ก็ถือว่าเกินความคาดหวังคุณราถ้าคาดหวัง สูงเนี่ยไม่จะเป็นเรื่องความสําเร็จก็ดีหรือว่าคํายกย่องชื่นชมสารเสริญก็ดีมันก็ทุกนะคาดหวังว่าจะต้องมีคนกดไลค์เยอะๆนะแค่นี้ก็ทําให้หลายคนเป็นทุกข์ละเพราะว่ายอดไลค์เนี่ยมันไม่มากเท่ากับที่คาดปวังแล้วคนทุกวันนี้ทั้ทงที่หน้าตาดีส飒สวยนะ แต่ก็ไม่พอใจกับเรือนร่างของตัวเองหน้าตาของตัวเองไม่ว่าหญิงหรือชายเนี่ยก็เพราะอะไรนะเพราะคาดหวังสูงเลยนะและเดือนนี้เนี่ยมันก็มีการเปรียบเทียบมีผู้คนที่ชวนให้เปรียบเทียบให้อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างดาราเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งเนี่ยอนนี้มีเยอะเลย พอเปรียบเทียบกับคนเหล่านั้นแล้วทั้งที่ตัวเองก็หน้าตาดีหนุ่มหลอ่อสวยแต่ก็ยังรู้สึกไม่พอใจในเดือนล่างในหน้าตาของตัวเองเพราะมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่เท่ากับคนที่ตัวเองเปรียบเทียบอันนี้เหมือนกันนะคาดหวังสูงก็เลยทุก ท, ทั้งที่สิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเอเป็นนี่มันก็ถือว่าดีอยู่แล้วไม่ได้ขี้เลอะอะไรเลยที่พูดนี้ก็ดูมันเป็นเรื่องทางโลกนะแต่ว่าบางทีแม้กระทั่งเรื่องที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องความร่ํารวยไม่ใช่เป็นเรื่องของคํายกกันได้รับคํายกย่องสรรเสริญความสวยความงาม ที่ผลักดันให้ผู้คนต้องไล่ล่านะแข่งขันกันในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวในเรื่องการหานะสินค้าแบรนด์เนมมาพ อ, อกม า, าประดับประดานะตัวเองเมื่อถึงการทำความดีการทำความดีเนี่ย ถ้าเราวางใจไม่ถูกนะเช่นไปคาดหวังว่าทําดีแล้วต้องมีคนเห็นต้องมีคนยกย่องหรือทําดีกับใครแล้วเขาต้องชื่นชมเราหรือว่าสํานึกในบุญคุณของเราถ้าคาดหวังแบบนี้เนี่ยก็เต็มใจทุกได้เลยหลายๆคนก็ทุกเพราะเห็นเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้ทุกเพราะทำความดีนะแต่ทุกเพราะว่าไปคาดหวังผลของการทําความดี และคาดหวังสูงด้วยทำดีเนี่ยก็สุขได้นะถ้าไม่คาดหวังนะว่าจะต้องมีคนเห็นความดีของเราหรือว่าสำนึกในบุญุณของเราตอบแทนบุญผลของเรามาสู่โคกเราทำดีแล้วก็ลืมไปเลยนะไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขามันก็สามารถจะสุขได้ไม่ยากใจที่ทุกเนี่ยเพราะความคาดหวัง แล้วก็ จ, จะเป็นการคาดหวังที่มันสูงนะก็ได้ไม่ใช่แค่ทำความดีแล้วทุกนะทำบุญแล้วทุกก็ก็มีนะก็เพราะเหตุผลเดียวกันแหละคือทำบุญแล้วก็คาดหวังคนะาดหวังนะพรสประการอายุวันนาสุขภาลระคาดหวังโชคบางทีทำบุญสิก็หวังร้อย ทำบุญร้อยก็หวังล้านไอ้แบบนี้ก็เตรียมทุกข์ได้เลยแล้วคนที่ทำบุญเพราะวางใจแบบนี้หรือมีความเข้าแบบแบบนี้ก็ทุกข์เยอะนะเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาก็น้อยเนื้อต่ำใจหรือตีปพวยตีพายว่าทำไมฉันทำบุญทำกุศลจึงต้องมาเจ็บมาป่วย ที่จริงแค่ความเจ็บป่วยเนี่ยมันก็ทุกพอแรงอยู่แล้วนะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นแค่ความป่วยกายก็ไม่เท่าไหร่แต่พอป่วยใจเพราะว่ามันยอมรับความเจ็บป่วยไม่ได้ที่ยอมรับความเจ็บป่วยไม่ได้เพราะเราคาดหวังว่าทำบุญแล้วต้องไม่ป่วยนะอันนี้ก็เป็นความคาดหวังที่สูงนะเพราะว่า ความเจ็บป่วยนี่นก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนแหละแม้กระทั่งพระอารหรันต์พระดยัเจ้าหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ป่วยมีอาภาษทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นธรรมดาของสังขารการคาดหวังว่าถันทาบุญแล้วไม่ป่วยเนี่ยอันนี้เป็นการความเป็นความคาดหวังที่สูงเกินจริงนะมันก็มีโอกาสที่จะทุกข์ได้ง่าย แต่ถ้าเราคาดหวังต่ำหรือไม่คาดหวังเลยทาบุญก็เพราะว่ามุ่งประโยชน์ของผู้รับไม่ว่จะเป็นคนตกทุกข์ได้ยางไม่อ่าจะเป็นพระสองฆ์องค์เจ้าวัดวาอารามหรือส่วนรวมไม่ได้คาดหวังอะไรที่จะให้เกิดขึ้นกับตัวเองเลยถึงเวลาเจ็บเวลาป่วยก็ไม่ทุกข์นะอาจจะแค่ป่วยกาย แต่ว่าใจไม่ทุกข์เพราะว่าไม่ได้คาดหวังว่าทําบุญแล้วจะต้องไม่ป่วยหรือว่าไม่มีความสูญเสียอย่างอื่นเช่นสูญเสียทรัพย์สินต่างๆที่ทําบุญแล้วทุกข์ก็เพราะเห็นนี้แหละปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะปฏิบัติธรรมก็สามารถเป็นเหตุให้คนทุกข์ได้ที่จริงปฏิบัติธรรมไม่ทําให้คนทุกข์หรอกแต่ส่วนใหญ่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความคาดหวังว่า ธรรมะที่ตัวเองปฏิบัติไม่ต้องทำให้เกิดนั่นเกิดนี่ขึ้นมาเช่นเกิดความสงบพอคาดหวังความสงบแล้วความสงบไม่เกิดขึ้นก็หงุดหงิดไม่พอใจบางทีก็ท้อแท้นักปฏิบัติธรรมจำนวนมากเนี่ยทูกเพราะเหตุ น, นี้เยอะนะไม่ได้ถูกขเพราะการปฏิบัติมากเท่ากับทุกข์เพราะคาดหวังการปฏิบัติ แล้วก็ไปยุดติดรอคอยว่าสิ่งที่คาดหวังจะต้องเกิดขึ้นเร็ววันย้วยแต่ความสงบเลยนะแม้กระทั่งคนที่มาปฏิบัติเพื่อจเจริญสติเพื่อทําความรู้สึกตัวหรือเพิ่มพูนความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าคาดหวังสติคาดหวังความรู้สึกตัวก็อาจจะทุกได้ไง่ายๆนะเพราะคอยจ้องว่าเมื่อไหร่จะมีความรู้สึกตัวสักที เมื่อไรสติจะพัฒนาสักทีมีบางคนจ้องมองหาความรู้สึกตัวจ้องทั้งวันเลยบอกว่าเครียดบอกว่าผิดหวังทําไมปฏิบัติทั้งวันรู้สึกตัวได้แค่ไม่กี่ขนะไม่กี่นาทีที่จริงคนธรรมดาเนี่ยถ้าไม่บ้าไม่มีคนเจริญเนี่ยความรู้สึกตัวมันก็มันก็เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันล่ะ พอถ้าไม่รู้สึกตัวแล้วก็แซมก็บ้าแล้วหรือว่าวิกลจริตหรือว่าพวกซึมเศร้าคุ้มคลั่งเมามมย แ, แต่ทำไมจึงคิดว่าความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นน้อยหลือเกินก็พอะไปคาดหวังว่าเนี่ยจะต้องรู้สึกตัวเยอะๆต่อเนื่องหรือไปคาดหวังความสึกตัวในแบบที่มันไม่สอดคล้องความเป็นจริงยิ่งความรู้สึกตัวมันไม่ต้องไปหานะยิ่งหายิ่งไม่เจอ แต่ถ้าทําให้ถูกเหตุถูกปัจจัยก็เกิดความสึกตัวได้ไม่ยากอย่างเช่นให้ใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวแใจใจอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็รู้สึกตัวแล้วล่ะใจลอยรู้สึกหรือรู้ทันความคิดดึงจิตกลับมาจากความคิดมันก็รู้สึกตัวแล้วล่ะหลายคนเนี่ยเวลาปฏิบัติทำเห็นได้ยินได้ฟังหรือว่าธรรมะมีอันที่สองอย่างนั้นอย่างนี้ มันก็ง่ายนะที่จะไปคาดหวังเช่นปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมีอะไรมีอะไรมากระทบใจไม่ยอมไม่กระเทือนปฏิบัติธรรมแล้วต้องทำให้ใจเนี่ยมันมั่นคงอะไรมากระทบไม่ว่าจะเป็นรูปรสกียรนเสียงสัมผัสมากระทบใจต้องไม่กระเทือนแต่พอใจเกิดกระเทือนขึ้นมาเช่นมีคำต่อว่าด่าทอมากระทบหูมีเสียงดังเกิดขึ้น ใจหงุดหงิดไม่พอใจก็รู้สึกทุกข์นะทุกข์เพราะว่ายอมรับไม่ได้ที่ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกนี้อา้าวปฏิบัติแล้วปฏิบัติทำแล้วทำไมอะไรมากระทบใจฉันยังกระเทือนอยู่ทาไมฉันยังโกรธอยู่ไม่ได้ทุกข์เพราะโกรธนะไม่ได้ทุกข์เพราะมีความโกรธเกิดขึ้นแต่ทุกข์เพราะยอมรับความโกรธยอมรับ ความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นไม่ได้ที่ยอมแล้วไม่ได้เพราะคาดหวังว่ามันต้องไม่เกิดเวลาเจอทุกขเวทนาทางกายและใจมันเกิดความหงุดหงิดเกิดโทสะขึ้นมาหลายคนเนี่ยก็เสียใจผิดหวังแล้วก็เกิดความหงุดหงิดหัวเสียขึ้นมาเพราะอะไรเพราะคาดหวังว่า ปฏิบัติธรรมแล้วมันต้องไม่มีความรู้สึกนี้มีแค่ทุกเขเวทนาทางกายแต่ว่าทุกเขเวทนาทางใจไม่เกิดเพราะว่าได้ปฏิบัติธรรมมาแล้วจเจริญสติธรรมสมาธิมาแล้วพอมันเกิดขึ้นยอมรับไม่ได้อันนี้แรียกว่าเนี่ยที่ทุกเพราะอะไรทุกเพราะคาดหวังสูงนะและสองไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ก็อย่างที่ชาเลงเกอร์เขาบอกเนี่ยกฎแห่งความสุขมัก็มีแค่สองข้อนะข้อแรกคือตั้งความหวังไว้ให้ต่ำคือไม่สูงและสองอยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้ได้อันนี้มันก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะที่ไม่ได้เอามาใช้สำหรับการดำเนินชีวิตนะทางโลกให้มีความสุขแม้กรทั่งสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม มันก็ช่วยทำให้ปฏิบัติธรรมด้วยใจที่ไม่ถุกได้ปัญหาคือว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเรามักจะตั้งความหวังไว้สูงเช่นเดียวกับการทำความดีการทำบุญทำดีทำบุญปฏิบัติธรรมเนีดีนะแต่ว่ามันง่ายนะที่จะทำให้คนเนี่ยที่ทาดีทาบุญ หรือว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเผลอตั้งความหวังเอาไว้เมื่อพ่อครูบาอาจารย์พูดว่าเนี่ยทําดีทําบุญปฏิบัติธรรมแล้วมันจะดีอย่างเง้นดีอย่างนี้พอปฏิบัติธรรมเข้าพอทําดีทําบุญเข้าก็เลยตั้งความหวังเอาไว้และเป็นความหวังที่สูงด้วยโดยพอถ้าเกิดว่ายังทําความเพียรมาไม่มากพอแต่ตั้งความหวังไว้สูงเนี่ยมันย่อมผิดหวังได้ง่าย มันไม่ใช่เฉพาะคนที่หมงบุญกับเรื่องทางโลกที่ตั้งความหวังไว้สูงว่าอยากรวยและหรือรวยกว่าคนอื่นนะหรือว่าอยากจะให้สังคมและคนรอบข้างเขาชื่นชมสรรเสริญเราแม้กระทั่งคนที่ใยทำขยันทําความดีขยันทําบุญหรือว่าหมั่นปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีโอากาสนะง่ายมากนะที่จะตกหลุมแห่งความทุกข์ เพราะความคาดหวังไม่ว่าเราจะทำดีทำบุญปฏิบัติทำยังไงก็ตามเนี่ยให้ตะหนักว่าเนี่ยระวังนีอย่าไปคาดหวังสูงเรือเพราะความคาดหวังที่มันสูงเกินจริงถ้าให้ดีเนี่ยก็ให้รู้จักวางมันลงซะแล้วก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยอะไรจะเกิดขึ้นนะก็ยอมรับ เ, เพราะถ้าว่าเรา ตั้งความหวังไว้สูงและยอมรับไม่ได้เนี่ยนะแม้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราก็ยังทุกอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันไม่มันไม่มากเท่าที่หวังหรือมันไม่ตรงกับที่หวังเอาไว้การปฏิบัตินทั้งทีเนี่ยก็ต้องสามารถจะเห็นได้นะว่าสมุทัยเขย่งทุกเนี่ยมันไม่ใช่ มันไม่ได้ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่มันอยู่ที่ว่าเรามองมันอย่างไรเราคาดหวังมันอย่างไรเรารู้สึกกับมันอย่างไรตรงนี้ต่างหากที่เป็นตัวสมุทัยที่สําคัญปฏิบัติธรรมแล้วมองไม่เห็นตรงนี้เนี่ยมันก็ง่ายที่จะยังทุกข์ต่อไปแม้ว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราก็ตาม